ขอความสุขความเจริญจึงมีด่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้คงเป็นการพูดเรื่องอยุรัทุกข์ขันธ์สุดในช่วงต่อไปคือพระเจ้าทรงแสดงความทุกข์แก่พระเจ้ามหานามะมาโดยลำดับมาถึงช่วงหนึ่งก็คือการทะเลาะวิวาทกันในหมูค่คน จะส่วนคนคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งคือทะเลาะกันแต่บางครั้งบางคราวก็มีการทะเลาะกันภายในบ้านสามีทะเลาะกับพันยาที่กับน้องทะเลาะกันบ่กับลูกทะเลาะกันญาติกับญาติทะเลาะกันก็ไปกันเร่นะฮะเลยจนถึงกับบางครั้งมีความรุนแรงจนถึงกับลงไม้ลงมือคือประทุสร้ายกัน บริษัตราวุธต่งตางๆเกิมีการบาดเจ็บล้มตายกันทีนี้เรา ต, ตั้งปัญหาว่าการทะเลาะวิวาทเราเนี้ย ม, มันเพราะอะไรเราก็ต้องมองในแง่ความจริงว่าการทะเลาะวิวาดทั้งหลายของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นเดิมหน้าของโลภะราคะโทสะโมหะริษยาการเบียดเบียนอะไรเป็นตัวนําก่อนนําหลังก็ไม่รู้แต่เขามากันทั้งกระบวนัารแหละ แต่เรามองภาพยาวๆไม่ใช้เรื่องรามเกียรติทั้งเรื่องเนี่ยแต่เราสาวไปถึงสาเหตุมันจะมีสองสามช่วงคือช่วงแรกเป็นเรื่องของโทสะพยาบาทที่มนทุกย์มีต่อเทวดาและมีต่อพนารายที่มาปราบกันในสุดก็มีการจองเวรกัน จะลงไปต่อสู้ประหัตประหารกันในโลกมนุษย์โดยพระนารายณ์เองก็ยินดีรับคำท้าของนุนทุกโดยลงของเกิดเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรและหลังจากที่พระนารายณ์มาเรียกอวตารมาเป็นพระนารายณ์ เ, เป็นพระรามทุวสกันก็มาเกิด ที่กรุงลูกาแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นระบบความเชื่อที่ค่อนข้างแปลกคือเราเทียบอายุของพราหมณ์เนี่ยก็ไม่มากอะไรสักไรแต่ว่ายุคของทศกัณ์ที่จริงมันสองพันปีแล้ว ไ, ไมมันเกิดห่างกันลวเกินแต่แนวตรงนี้ในวรรณคดีอินเดียเนี่ยจะมีอยู่เยอะเลยคือเราจะไปยุ่งกับตัวเลขของเขา ตัวเลขเราก็มั่วหน้าหน้าอน ด, ดูคือสับสนในหน้าหน้าอ ด, ดูเขาก็ไม่เคยคิดอะแล้วก็เราก็เจอวรรณคดีทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างนี้คือเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยจะมีปัญหาตลอดเาะแะก็ต่อมาเราจะเห็นว่ามันก็เริ่มจากความตั้งแต่อะไรล่ะตั้งแต่โนนตั้งแต่ที่ ก็มีควเข้าวชิปอะไรเนี้แล้วก็ทางกรุงมงกาก็ส่งกาการศูนย์มาโฉบ เ, เอาเอาข้าไปซื้อครึ่งครึ่งก้อนแล้เวเมื่อพระเทวีทั้งสี่สวยแล้วก็บังเกิดเป็นพระราชกุมารส่วนหนึ่งก็บังเกิดเป็นนางสีดาอันนั้นก็คิดจรโลพะทีนี้ในการต่อมาเนี่ย เราเห็นเกิดจากโทสะบ้างพยาบาทบ้างนะฮะแล้วก็ริษยาบ้างเป็นช่วงๆในช่ว ง, งที่พระนาประรามทดลองสอนยิงผู้หญิงญิงหลังค่อมให้หายค่อมแต่ก็ท่านก็ยิงกลับใส่ค่อมเหมือนเดิมแล้ไปหญิงค่อมนั้นโกรธก็เป็นเรื่องเล็กๆนะฮะแต่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็อสายกําลังตัวเองไม่ได้ก็ไปอาศัยมือของ นางกายเกศีเป็นศระทธายุยงปุกปันสร้างความริษยาความแข็งดีต้องการโอชนะข้าขาดแล้วจนถึงช่วงที่เ ท, ท้าทศรถจาเป็นต้องพระราชทานพรแก่นางกายเกศีพอสมรงกระทานไม่นานแล้วยังไม่ได้ให้ก็ทำให้พระรามต้องออกเดินดง ตอนนี้ก็เกิดจากความริษยาก็เป็นลักษณะขยายผลจากกิเลสไปสู่กิเลสจากกิเลสไปสู่กิเลสนะบไปเรื่อยไปพอไปถึงเมื่อพระรามพระลักษมณ์สีดาไปอยู่ในป่าคือถ้าท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นฤาษีชีพา ย, ยุมันก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่มีคนนอกเข้ามากวน เลาก็กลายเป็นว่านางสมัมมนาขามาเกิดชอบใจพระรามเพราะว่าชิวหาที่เป็นสามีของนางตายไปก็เป็นสตรีไม่ก็มาต้องการที่จะได้พ ร, ราหมณ์ไปเป็นสามีเราก็ต้องนดนูนะฮะมนุษย์ก็ยักษ์นี่โอหมันใหญ่ต่างกันเยอะเลยแต่ก็เป็นไปตามธรรมชาตินะที่ก็บอกว่าความรักมันโรขาดันตายมืดมนไม่ยินและไม่ยนุปสคศใน้ใดๆ ความรักมันโคตรถึกกับมันคึกที่ขังไว้ก็จะออกนอกจากคอกไปโดยยอมอยู่นั่นที่ขังมันก็เตลิดแล้วพระรามไปลงโทษนางสมานักขาเขาตกลงนู่นี้บังกาจากริษยาแล้วกลายเป็นโทสะไปในใจของนางสมานักขานี่มีริษยาแล้วก็มีโทสะคือริษยานางศีดาแต่ก็โทสะในภรรคและมีความรักในพระรามไม่ต้อสังเกต น, นะฮะกิเลสเท่นั้นเลย อริสยานางซิดาที่มีผัวหลอแล้วก็มีความรักในพรรามต้องการครอบครองไม่เคยคิดถึงเหตุถึงผลอะไรหลอกแล้วกเกิดโทสะในภรรค์ี่ไปลงโทษมันต้องการจะแก้แค้นก็แก้แค้นที่ค่อนข้างแรงนะฮะคือเราจะเห็นว่ามันออกมาในรูปคล้ายๆกับที่คนไทยเขาชอบพูดว่าข้าผัวมันเสียเมียมันมา เรไปหาในร่วมกับทศกัณฐ์ตทศกัณก็เกิดริษยาพระรามที่มีเมียงามแล้วก็ต้องการครอบครองนางสีดานั้นจะเหมือนกันเลยหรือทศกัณ น, นั้นริษยาพระรามต้องการครอบครองนางสีดานางสมนักขาริษยานางสีดาก็ต้องการครอบครองพระรามหรือสติปัญญาเหตุผลมันก็หายมันก็กลายเป็นว่าเมื่อฉันอยากได้ฉันต้องได้ จะพิถูกยังไงฉันไม่รู้เอ๊ะฉันอยากได้ฉันต้องได้แล้วใครขัดขวางฉันก็คือตายเพราะบนเส้นทางสายเนี่ยเราจะเห็นว่ากว่าจะได้นางสีดากลับคืนมาเนี่ยมันมีทั้งโทสะมีทั้งโมหะมีทั้งโลภะมีทั้งราคะมีทั้งริษยามีทั้งแข็งดีบวนไปหมดเลยทั้งเรื่องเราวิเคราะห์ออกมาก็จะเห็นว่ามันเป็นอาการของกิเลสเท่านั้น ทีนี้ทำกลางคนที่มีกิเลสทั้งหลายเนี่ยคนที่มีธรรมะจะถูกรังเกียจจะถูกกล่าวหาจะถูกใส่ความจะถูกทำลายพิเภกเป็นคนที่มีเหตุผลมีสติปัญญาเข้าใจเรื่องทั้งหลายดีพยายามชี้แจงให้ทระสกันเกิดความเข้าใจทรส ก, กันก็โกรธหาว่าไปฝักฝ่กับศัตรู กูมาการเองก็เคยชี้แน่แต่ว่าท่านก็ไม่ไปโกรธทั้งนั้นขณะท้ามารีวราช์เลยชี้แจงเนี่ยโกรธทั้งนั้นหลยเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสทุกตัวเนี่ยมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาหมดไม่ว่าจะเป็นราคะไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะริษยาเบียดเบียนมันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญาของมนุษย์เอาไว้เพราะในการต่อสู้กันเนี่ย แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เกิดจะโทสะราคะหรือโลภะเนี่ยเดี๋ยวทั้งหมดมันเป็นโมหะคือตั้งคำถามวาเราสู้กันไปทําอะไรคุณจะแย่งอะไรแล้วคุณแย่งเน่ยคุณได้จริงหรือเปล่ามันไม่มีอะไรที่เราครอบครองได้พแม้แต่ชีวิตของเราเราก็ครอบครองไม่ ไ, ได้แต่คนไม่คิดนะฮะเรื่องเหล่า น, นี้เขาจะไม่คิดเลยคือบางครั้งบางราวยุบมันเยอะแล้วนะฮะ มึงจะแย่งอะไรอยุตั้งหกสิบเจ็ดสิบอาจจะเจสิบว่าแล้วยังไปแย่งอะไรกันอยู่ก็นับถอยหลังได้แล้วก็ไม่ยอมนับถอยหลังเพราะงั้นปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งในตั้งแต่ครอบครัวไปเอาขนาดสามีกับปัญญาทะเลาะกันเนี่ยูปมันก็วุ่นเน่เดือดร้อนไปหมดคือจากการสังเกต คำถามของนักเรียนที่ไปบรรยายอบรมมาที่วัดพระปูก่แก้วอำเภอสูงเนินเป็นเด็กทางอีสานใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนครราชสีมาเป็นชายภูมิเป็นสุรินเป็นบุรีรัมแต่ว่าจะหนักไปในทางนครราชสีมาเพราะว่าจังหวัดบรรญญย่พน้าไปในครอบครัวขัดแย้งภายในครอบครัวเนี่ย พราแม่ทะเลาะ ก, กันเพราะแม่กับลูกไม่เข้าใจกันเดินกลายเป็นความแตกแยกความร้าวฉานบางทีก็ลูกก็เตลิดหายไปเลยข้าวโกก็พงไปนั้นเกิดมาจา้เกิดมาจากกามเป็นเหตุแตส่งมาสรุปเหมือนกันว่าแม่นี้เล่านะฮะแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นข้าวมีกามเป็นตัวบังคับ เกิดประเหตุแห่งกรรมทั้งหลายทั้งนั้นทั้งนั้นเน่ยลองเราลอ ง, ลอ ง, ลองสาวดูก็ได้กันยันงที่เคยบอกกับท่านผู้ฟังไว้เนี่ยว่าสาเหตุของปัญหาจริงๆอ่ะถ้าเราสาวไม่ถึงนามมาทำแล้วไม่จริงหรอกแล้วก็สาเหตุของการแก้ปัญหาก็ต้องเป็นนา ม, มาทำนะฮะที่เกิดขึ้นปรุงจิตของบุคคลเดี๋ยวมันจะแก้ปัญหาภายในจิตคือต้องแก้ที่จิตให้ได้ก่อน อย่างที่เราเรียกร้องอะไรแต่สันติภาพสันติสุขก็ไรน่นะมันต้องมีสันติธรรมอยู่ในหัวใจถ้ามนุษย์ไม่มีสันติธรรมอยู่ในหัวใจเนี่ยสันติภาพเนี่ยมันเป็นผลสันติสุขมันเป็นผลสันติธรรมมันเป็นเหตุแต่ถ้าสันติธรรมไม่เกิดอ่ะสันติสุขสันติภาพมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วความขัดแย้งทั้งหลายในหมู่มนุษย์เนี่ย แล้วก็จริงเนี่ยไม่มีใครครอบครองแล้วยังมองถึงนนญาจีนนย น, นยาจีนก็บางภายในหรือหนังจีนก็บางภายในเนี่ยคือจะเต็มด้วยความอาฆาตมากร้ายเข่นฆ่าทำาลายล้างไล่ล่ า, ลา ก, กันแล้วก็ตบลงด้วยตายเกลื่อนไปหมดเลยแล้วส่วนใหญ่ตัวโกงเนี่ยฝาย่ายมาเนี่ย มันจะมีริทเมียนมากแต่ในที่สุดจะถูกรุมกข้าฝ่ายฝ่ายพระเอกแล้วก็ตายหลังจากนั้นก็จะเหลือคนไม่กี่คนแล้วก็แสดงให้เห็นที่จริงก็สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ว่าถ้าคุณเข็นฆ่ากันอย่างนี้แล้วในสุดคนเหลือไม่กี่คนอ่ะเล้วลคนที่ฆ่าคนอื่นมาเยอะเนี่ยต่อไปจะถูกลายล่า เพราะนวนียาจีนเนี่ยที่จริงมาอ่านตนะั้งแต่เป็นเด็กนะสมัยเลียด ก, ก๊กอะไรอะไรอ่านมาเยอะแล้วก็เห็นว่าความคิดเขาสะท้อนภาพธรรมชาติของมนุษย์ออกมาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็ น, เ ป, นเป็นระบบที่เรียกว่ า, าเด็กไล่ล่าผู้ใหญ่คือแต่ตนนเราเชี่อตรงไหมน่เรา นั้นเราเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆครั้งก็ประมาณสิบครั้ ง, งนะฮะที่ปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยแล้วถ้าเรามองดูแล้วที่จริงมันเป็นเรื่องของน้องข้าพี่น้องข้าพี่น้องข้าพี่ส่วนมากแล้วก็กองทัพบกันนะฮะจกบจะเกี่ยวพรมด้วยกันเนี่ยพอเติบโตขึ้นมาสุดก็แย่งอำนาจเรื่องการความเป็นใหญ่แล้วก็ใครไม่ได้เป็นใหญ่จริงนะโอภาเรตเข้าลงไปเยอะแล้ว เพราะฉะาการนี้แย่งทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่มีการครอบครองเราครอบครองจริงคือบาปที่เกิดขึ้นจากการยื้แย่งการต่อสู้การปราบปรานกาันการทํำลายล้างกันในใจหนึ่งก็ส่งบัญญายเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดเป็นสงครามเลยสงครามแบ่งฝกักเป็นฝ่ายพวกนี้เราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยตัวหัวหน้าตัวเองที่มันเกิด อคีเลตขึ้นมาเกิดเอาชนะข้าการกันเราต้องกองใกลเรื่องรามเกียรติเนี่ยตัวสาเหตุที่จริงมันอยู่กับพระรามกับทศกัณฐ์เมื่อตางควายตังไม่ยอมจึิงกันและกันสงครามก็ไม่ยุติมันก็ต้องตายตกไปข้างหนึ่งนะพอทศกัณฐ์ตายเรื่องมันก็ยุติ ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องของครอบครัว แ, แล้วนะฮะต่อมาก็เป็นเรื่องครอบครัวแต่ว่าอินเดียก็ลากอะไรไปเยอะนะฮะตอนตอนหลังกลายเป็นเรื่องอนุมานก็ยาวไปไปเยอะมากของเราก็ไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นถึงยว่าบางครั้งบางคราวมันคข้กลายเป็นสงคราวและภาพเหล่า น, นี้มันเป็นภาพซ้ำซากที่มีอยู่ในส่วนต่างๆของโลกแม้ในปัจจุบันเนี่ยนะ เมือันก่อนดูข่าวไว้แ ป, ป๊บนะฮะว่าอิรักมันมีกระบวนการต่อต้านสงครามทางที่เขาเองนะฮะก็มีเรื่องวุ่นวายอยู่ในบ้านในเมืองเพราะคนกลุ่มหนึ่งนี่ที่จริงไม่ต้องการสงข่ามเราทุคนส่วนใหญ่ด้วยไม่ต้องการสข่ามแต่ส่วนใหญ่มันก็จ ะ, จ ะ, จ, ะจะอยู่แบบพลังเงียบก็อรอโอกาสคือจะไปเลือกฝ่ายอะไรก็คงยาก เพกลัวตัวเองจะเป็นอันตรายและในทาําความขัดแย้งเนี่ยเมืนความ เ, าเมื่อพวกตัวเองตายก็สแสดงออกฝ่ายหนึง่งค่ะไอฝ่ายหนึ่งพอตัวเองตายก็ถืออีกฝ่ายหนึ่งค่ะมันเป็นรูปขอบบางที่จะเพิ่มโลภะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะเพิ่มวิหิงสาเพิ่มริษยาเพิ่มแข่งมีโอมันจะจะยุ่งมากมาก มันก็ส่งแสดงภาพของมายุทธสงครามสมัยนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราเทียบก็คือแถวสมัยยุทธยาก็เป็นการในทำนองเดียวกันซ้ำซากมนุษย์มีพฤติกรรมที่ซ้ำซากรับสั่งว่าอีกประการหนึ่งดูกอนมานะมาอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นข้าวมีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั้นและู้งชนต่างถือดาบและโล่สอดแหล่งธนูวิ่งเข้าสู่สงคราม ว่าตกันทั้งสองฝ่ายเมื่อลูกสอนทั้งหลายถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบทั้งหลายถูกควัดแกล้งอยู่บ้างฝูงชนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศอนเสียบเอาบ้างถูกหอกแทงเอาบ้างถูกดาบฟัดตัดศีษะบ้างในที่นั้นก็ตายกันเกลื่อนแล้วก็บางครั้งบางคราวก็บาดเจ็บทุพพลภาพอันนี้เป็นภาพที่เริุ แน่นอนปัจจุบันมันใช้เป็นอาวุธเป็นปืนเป็นจรวด เ, เป็นอะไรก็ช่างมันแหละแต่เหมือนกันนั่นแหละตามปกติแล้วผู้บริหารนะฝ่ายทหารก็ดีฝ่ายตำรวจ ก, ก็ดีฝ่ายนักปกครองก็ดีเนี่ยขาเรียนประวัติศาสตร์เมื่อทหารตำรวจเนี่ยเขาเรียนยุทธศาสตร์มาด้วยตำราพิชัยสงครามของสุนบูของอะไรต่อะไรต่างๆเนี่ย แล้วก็ศึกษามีการสัมมนามีการวิเคราะห์วิธีการทำศึกสงครามของเราเองสมัยโบราณก็มีประยุทธ์เยอะมีวิธีจัดค่ายตั้งค่ายต่างๆนี้เยอะแล้วก็ศึกษาเด็ดรูปแล้วก็ไม่มีอะไรคือว่ามันมุ่งไปสู่ความพิบัติของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแต่และข่ววาก็ไม่ได้คิดว่าบาปนนเนี่ย แล้วเสร็จแล้วคุณก็คุณอาจจะเป็นผู้ชนะในโลกนี้แต่คุณก็ครองคชามชนะได้กี่วันแล้วในสุดคุ ณ, ค, ณคุณก็ตายแล้วยกตัวอย่างว่าบุเรงนอนชนะสิทธิเนี่ยบุเรงนองอยู่ได้กี่วันจะตะเบงชเวตี้อยู่ได้กี่วันผู้ที่มาบวนเราทั้งหลายเนี่ยอ ย, อยู่กันได้กี่วัน นี่ก็เป็นการสอนแต่ว่าเราไม่มองประวัติศาสตร์ที่สามลึกลงไปถึงเจตนาซึ่งประเดี๋ยวที่เกิดกรรมเนี่ยอยากจะบอกท่านลูกฟังว่าตัวการสําคัญในนิยามทั้งห้าเนี่ยไอ้นิยามสองเนี่ยมันเรื่องใหญ่คือจิตตนิยามกับกรรมนิยามบรรณาว่าคุณคิดยังไงอ่ะคุณก็ทําไปอย่างนั้นคุณก็พูดไปอย่างนั้นมันก็กลายเป็นกรรม เพราะฉนันิยามอีกสามน่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือของจิตในการทากรรมดีบ้างไม่ดีบ้า ง, งกลางๆบ้างก็ เ, เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นมนุษย์เราอยู่กับมนุษย์แต่เราไม่เข้าใจมนุษย์ไม่เคยเข้าใจอ่ะแล้วเราก็มองโดยใช้เหตุผลของตัวเองเรลามองธรรมชาติมนุษย์เราเข้าใจมนุษย์นะ เราไม่าใจมนุษย์ไม่ได้แล้วมนุษย์ไม่ต้องเรียนมากอเรียนจัดใจเรานีหละแล้วก็เรียนปรักปรักจากประวัติศาสตร์เรื่องราวบุคคลต่างๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นของเราในเรื่องสันดกทั้งหลายเนี่ยคือเรียนรู้เรื่องมนุษย์เรียนธรรมบุเรื่องสันดกเรื่องเปรตวัตถุเรื่องมีมานวัตถุเทระคาถาเทรีคาถาพุทธวงศจริยาบิดดกรเยอะมากๆเลเรียนธรรมมาจากคน คนเล่นั้นมีเจตนาแล้วมีการพูดแล้วมีการทำแล้วแล้วผลออกมาเป็นบวกเป็นลบแล้วแล้วก็ผลนั้นยกยอดไปให้ผลในชาติต่อไปเพราะอย่างแนวเทราคาถาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเรื่องการกระทำดีแล้ผลด้วยความดีก็ยกยอดไปให้ท่านมันเกิดในสวรรค์สวรรค์ชั้นต่างๆในขณะเดียวกันก็แนวเปตะวัตุเนี่ยมันก็สะท้อนทึกกรรม ถึงจิตเจตนาของบุคคลเหล่านั้นที่เขาทากรรมโดยการพูดทุจริตบ้างไอคิดทุกข์คิดทุจริตก่อนนะคิดทุจริตทาพูดทุจริตแล้วก็ทําทุจริตแล้วก็ตายไปเกิดในสุนทรโลกต่อมาก็กลายเป็นเปรตแตจารย์ได้ยกตัวอย่างไว้นะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาเสียนาธิสูตรคือข้อความเนี่ยมันเป็นสูตรเลยอ่ะมันเป็นสูตรคล้ายๆแกงเนี่ยมันก็ใส่เครื่องปรุงท่านหนึ่งสองสามสี อย่างกี่ส่วนวรสชาติมันจะออกมาเป็นอย่างไงเผื่นาทางแห่งนรกทางแห่งสวรรค์ไม่เคยเปลี่ย น, นผ่านิพพานก็ไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะคนะคนก็เดินไปทุกสายนั่นแหละทุกสายที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้แม้แต่ทางที่สอนให้เวน้นคนบางพวกก็ไม่ยอมเวน้นะก็ยังไปทางนรกก็ยังไปโบราณก็เตือนว่าทางเตียนเวียนลงนรกทางรกบกขึ้นสวรรค์ นะเราก็ไปทางเกียรเนะ่ะคือจะได้เวียนลงนรกให้ได้นะขอตกนรกให้ได้อันนี้คือคืออะไรคือเราไม่เข้าใจว่าปัญหาต่างๆในโลกมนุษย์เนี่ยมันเกิจกดจากจิตที่ตั้งไว้ผิดโดยคิดผิดก็จบละพงเหยนผิดก็จบละตังสติผิดก็จบละเห็นะ ความพยายามผิดกระจกเลบคือแต่ละข้อเนี่ยมันนำไปสู่จุดจบทางนั้นเลแล่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือถ้าเรามองธรรมะว่าเออเขาก็มีสองด้านนะยันที่พระเจ้าทรงแสดงว่าศัทธายะตรติตโอขังเอาไปนิพพานเลยนะบุคคลเจ้าค้ำโอขะสังสารวัฏได้เนี่ยด้วยศัทธาหมายความไงหมายความถาตกนรกก็คือไม่มีศัทธา หรือศรัทธาเอาเอาเอาระดับสินธรรมศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงคือกุศลทีนี้ถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่มีสเสบียงคือกุศลแล้วตายแล้วไปไหนอนะ่ะก็ตกนรกหรือว่าคนรู้ทุกข์ได้เพราะความเพียรถ้าไม่มีความเพียรก็ประสบความทุกข์สติเป็นธรรมะเครื่องตื่นถ้าเราขาดสติเราก็หลับ เป็นนิสชาตลอดไปไอคนที่ป่วยเป็นเจ้าชายนิสชาเจ้าหญิงนิสชาน่ยก็เถอะแต่ว่าเราขาดสติเราก็ป่วยมันเป็นอาการทางจิตเพราะจิตเนี่ยที่จริงคนบ้านเนี่ยคือสติพิพาลาดั้งขาดสติต่อเนื่องสติไม่ต่อกันเลยมาการกควิดปริพูดกควิดปริทำโควิปริคิดกควิดปุริ แล้วเราฟังความคิดของคนเหล่านี้ดูนะเวลาแกพูดเนี่ยอดนะดูนะเทปไว้แต่คนเหล่านี้เรารู้แกบ้าเราสงสารเมมองเขาด้วยความสงสารด้วยความเมตตาด้วยความเอ็นเ็นใจด้วยการให้อภัยด้วยการอดทนด้วยร้อมจะรอคอยพยายามเยียวยารักษาไปแต่ว่าคนดีๆที่ปล่อยให้กิเลสมันสิงใจเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายในสุขก็รับราคาความกันอย่างนี้ย แล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยคนถูกฆ่าก็คือตายญาติพี่น้องก็ลำบากลูกก็ยังเล็กอะไรอะไรโอ้มันคนเยอะแบบเพียงชอบใจประโยคหนึ่งที่ท่านจุฬาดันตรีอาจารย์สวัสดิสุขมารศักดิ์ท่านพูดมานานแล้วนะฮะท่านพูดตั้งหตุการณ์พักได้ท่านบอกว่าอย่าลืมมาราฆ่าคนตายคนหนึ่งคนที่ต้องเดือดร้อนเนี่ยเป็นร้อยๆนะะฆ่าตายคนเดียวเอง เราจะไม่รับผลกรรมได้ยัางไงาคุณพิเศษผลกรรมได้ยัางไงาเพราะสิ่งที่คุณสร้างนั้นมันคนเดือดร้อนเยอะเหลือเกินเพราะนั้นคุณก็รับผลกรรมไปเราพิเศษไม่ได้หรอกพิเศษได้อย่าทําเพราะฉะนั้นเราจะเระจิตนิยามกับกรรมนิยามไม่ก<ค>ลายเป็นเรื่องใหญ่ตรงนี้พระเจ้าแสดงในแนวกรรมนิยามกับจิตนิยามนั่นแหละคือหมายกาับกรรมว่าไอ้จิตมันถูกบุงด้วยกรรมขคุณ เมื่อกี้เลสิกามระลบกันเพราะราคาก็ได้เพราะโลโลภาคก็ได้เพราะริษยาก็ได้นะครับเพราะเบียดเบียนก็ได้สุสุดแล้วว่าทั้งหมดมันก็เป็นกิเลสทีนี้ประการต่อไปก็ส่งเอ่ยยกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมันก็เป็นสะท้อนถึงหลักการที่เคารพกันในสมัยนั้น น, นนะฮะได้แปลกว่ามนุษย์ใช้วิธีนี้มาในปรัชญาศาสตร์ของเราในสมัยยุทธยาเนี่ยเราก็พบนะ แล้วก็ต้นรัตนโกศิน์ ก, นก็มีทำไมธนุรีก็มีต้นรัตนโกสิน์ก็มีในทรงธรรมเก้าวทับมันก็มีลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็ไม่รบในลักษณะแนวตรงนั้นเราก็เรียกว่ามันก็ตั้งตั้งแต่สมัยราชกาลที่สองมาแล้วก็ไม่มีวิธีรบในลักษณะนั้นก็พระเจ้าทรงสแสดงฮนะลุกกอมานมามะ อีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นข้าวมีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหละฝูงชนถือดาบและโล่สอดแร่งธนูรูกันเข้าไปสู่เชิงกำแพงที่สาบด้วยเปลือกตรงร้อนเอ้นึกออกนะฮะบูในมหาทุกขันสูตนะเธอไปเรื่องต่างการต่างวา่าละ ในหมหาทุกขคันตรนั้นสรงแสดงแก่ภิกษุตอนนี้ทรงแสดงแก่กษัตริย์แหละและกษัตริย์ย่งเข้าใจง่ายนะเพราะท่านอยู่ภาคสนาอย่างนี้พระเจ้าทรงแสดงอันนี้สงองฐานนะถ้อาตามปกติที่เราพบว่าเวลาทรงแสดงอันนี้สงฆ์ฐานจะสงแสดงห้าข้อแต่ตอนที่แสดงตามคากราบทูลถามของมหาสีหส์เสนาบดี ในการประมาท่านผู้นี้บรรลุมรควผลเป็นพระหันทั้งทั้ ง, ท, งที่เป็นคารวาสนะแล้วก็นิพานบนหลังช้างเลยก็ แ, แต่งชุดคารวาสแต่เป็นพระนะฮะถือว่าเป็นพระเดนิพผ่านบนหลังช้างแต่ตอนนี้ท่านเป็นอุบาสกมากราบทูลถา ม, ถ, ามถึงอนิสงค์ของทานจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงสแสดงวันหนึ่งผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนเป็นันมาก สองเกติคุณอันดีงามของผู้ให้ทานเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องของคนทั้งหลายสามคนที่ให้ทานเนี่ยจะเข้าไปในสมาคมใดก็ตามได้รับการต้อนรับยกย่องชื่นชมจากคนเป็นนันนมากแล้วคนดีคือสัตว์บุรุษเนี่ยจะส่งเสริมสนับสนุนคนให้ทานแล้วคนให้ทานนยตายังมีสติคือไม่หลงตาย เราตายไปแล้วก็จะมันเกิดในสุคติโลกสวรรค์ศิษยเสยนาบดีเนี่ยกราบถวายพรเจ้าว่าอย่างไงเพราะสี่ข้อแรกถ้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็าได้เพราะว่าทั้งสี่ข้อเนี่ยข้าพระองค์สัมผัสอยู่ทุกวันในฐานะคือท่านท่านมีรงทานของท่านท่านเสษยเสนาบดีเนี่ยท่านมีโรงทานคือเนี่ยรเราเระลึกว่าเอ๊ะคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้นี่กิเลสต่างๆกัน แล้วก็ให้เห็นชัดเจ็นว่าสีหาเสนาบดีเนี่ยท่านมีความโลภลดแล้วมีความรักเพื่อนมนุษย์แต่ว่ายังมีการเพราะว่าตอนที่ท่านที่ท่านเมาเหล้า<ม>เลยเพรราชพระอาไปเนี่ยคือมันเกิดขึ้นจากการที่ท่านไปป ร, ป ร, ปราบปัจจนนชนบทที่กำเริบแล้วพระราชาพระราชทานสาวงามคนหนึ่งเนี่ยให้ได้รำ ทีนี้ผู้หญิงคนนี้แกก็ต้องการจะไล้รำให้ตัวมันอ่อนช้อยอย่างแบบโบราณนะแบบอินเดียนะฮะเธอเลยอดอาหารเพื่อความคล่องตัวสละสลวยพริวไหวต่างๆนะเป็นที่พอใจชอบใจทีนี้คนคนคนไม่ทัพอตานอาหารแล้วก็เต้นรำไล้รำมันเหนนะเื่ยอยนะแต่คนสุดท้ายก็ช็อกตายท่านโศกซึ้งเลยนะฮะขาดสติ เมาเล้ายำเปเลยแล้วก็เรียบพระนครพระเจ้าเสด็จไปตรวจในขณะที่ท่านกำลังเ ม, า, มาเล่าน่ะพระเจ้าเสด็จไปปดวแต่เราก็เห็นว่าเออกิเลสเนี่ยมันถ้าไม่ชนะมันจริงีลำบากนะในขณะที่ท่านลดความโลภลงไปได้เยอะนะจนขนาดตั้งรงทานเนี่ย แต่ปรากฏเวาค่าความกำหนัดในทางเพศของท่านนะลดยากมากเลยช็อกโลกเลยแล้วแสดงว่าจะไม่เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันต้องตายนะแต่ก็ทำใจไม่ได้ก็ยอมรับไม่ได้ในที่สุดก็ผู้จ้าก็ไปปูดดังกล่าวแต่ว่าอย่าลืมว่าสี่ข้อแรกเนี่ยท่านสัมผัสได้และท่านบอกว่าสองข้อหลังเนี่ย คือไม่หลมตายก็ตายแล้วไปบังเกิดในสุคตินี่ข้าพระองค์ไม่รู้เพราะยังไม่ถึงเวลาของท่านแต่ถ้าข้าพระองค์เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคสัรู้ข้าพระองค์ไม่ได้สัตว์แะนี่คืักการคือประสบการณ์ของมนุษย์เนี่ยที่จริงมันมันจะง่ายต่อการทําความเข้าใจธรรมะกับชีวิต เอามามีหน้าที่อบรมพระใหม่ทุกรุ่นเน่ยนะฮะเรื่องธรรมะกับชีวิตแล้วพูดถ้ท่านเห็นก็จะจะไม่ต้องดูที่อื่นดูที่ตัวเราดูที่กายที่วาจาที่ใจเราไม่ต้องไปดูที่อื่นแล้วก็ลองมองภาพรวมๆไม่เห็นแล้วก็เตือนจิตสกิดใจได้หลักการสาคัญเนี่ยนะว่าทํายังไงทำยังไงสุขสาราระเภศไปแล้วเนี่ยกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้เรารู้สึกเมตตาปรารถนาดี คิดแบบใจเขาใจเราไม่ต้องลึกซึ้งหรอกกับทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายถ้าไม่ใช่ของเราคือของคนอื่นเราไม่ร่วงละเมดเราเคารพเดินไปเจอแกหวนเงินทองจานวนมากถ้าเราจะเก็บก็คือเก็บไปให้จาของเขาแต่เราเองไม่อยากได้นั่นคือแสดงว่าถ้าเราอยู่ได้อย่างนี้นะมันก็ในโลกปัจจุบันก็ไม่มีเวรไม่มีภัย แล้วก็ตายไปก็บังเกิดในสุคติเพราะอะไรเพราะว่าภูมิจิตมันสูงมากถ้าจิตได้ขนาดนั้นน่ภูมิจิตมันสูงมากไม่ใช่อยู่ระดับศีลแล้วมันไประดับธรรมะไปแล้วทีนี้คนเราเนี่ย ท, ที่ที่ทรงแสดงให้เห็นว่าการวิ่งปีนกำแพงที่เขาชาบด้วยเปิดตรมร้อนเนี่ย เมื่อลูกศรถุกยิงไปบ้างเมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบถูกกัดแกว้งบ้างคนเหล่านั้นก็ถูกลูกศรเสียบบ้างถูกหอกเสียบบ้างถูกรถด้วยโคมไฟร้อนบ้างถูกสับด้วยคราดบ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบบ้างในที่นั้นก็พากันตายไปตรงนั้นบ้างเป็นทุกปางตายบ้างแล้วก็รับสั่งโดยสรุปอันนี้มันก็อีกหละคือการเป็นเหตุการเป็นต้นข้าวการเป็นข้าวมูล เกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายทั้งนั้นเั้นประเด็นสําคัญเนี่ยถ้าเริ่งลองสังเกตว่าไอ้สงครามแบบเนี้ยมันหายไปแต่จริงๆเวเนี่ยมันมีสงครามเยอะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยถามว่าปัญหามันวิ่งมาเราหรือเร า, เราวิ่งไปหาปัญหาเอาถ้าเราคิดในเปอร์เซ็นเฉลี่ยเนี่ยคนวิ่งเข้าหาปัญหา ที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกท่านบอกว่าพระเครื่องเนียคงกับพันชะซียิงไม่เข้าฟันไม่ออกแล้วท่านอธิบายว่าเวลาเขายิงเนี่ยเราอย่าเข้าไปยิงกันเนี่ยเราอยเข้าไปบริเวณนั้นเวลาเขาฟันกันเนี่ยเราจะออกไปมันจะคงกับพันชาตรีแต่ทีนี้อิจา ก, การรมทั้งหลายเนี่ยคนวิ่งหาปัญหานะฮะ คนวิ่งเข้าไปเพื่อเข็นฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งวิ่งเข้าไปลักทรัพย์สิ่งของของบุคคลอื่นวิ่งเข้าไปล่วงละเมิดกุศลละเมิดผู้ครอบของบุคคลอื่นวิ่งเข้าไปโกหกหลอกลวงเขาวิ่งเข้าไปหาเสพติดซอกซอนไปหากันหลบหล บ, หลบเลีเ่ยงไปเรื่อ ย, เ, อยเพื่อมาปัทุส้ายตัวเองสัตว์โลกน่าสงสารนะแต่โลกเป็นคนที่น่าสงสาร ถ้าเรามองดูแล้วก็คือแมงเม่าแต่บินข้าวของไฟมันก็คือการว่าปัญหาเศรษฐกิจก็ดีปัญหาสังคมก็ดีปัญหาการเมืองก็ดีปัญหาความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาก็ดีมันเกิดขึ้นจากคนวิ่งขาปัญหาในเวลานี้เราเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแต่ถามว่าคนเคยคิดไมหมล่ะให้เรารับผิดชอบชาติบัตรเบื่ด้วยกันคือประหยัด อย่าดุดอมหน่อยแล้วอย่าขนเงินตรากออกต่างประเทศมากเกินไ ป, ปก็ปรากฏว่าเราไม่ได้คิดนะคือถ้าเราคิดประเทศเป็นบ้านเนะี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีเงินมีทองอยู่พอสมควรสามารถจะเลี้ยงดูครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขได้แต่ปรากฏว่ามันเที่ยวกันเหลือเกินไปทัวร์บ้างไปเที่ยวบ้างไปอยู่ตำบาตำผับบ้างเงินก็ออกจากบ้านอ่ะไม่เคยเข้า ธน ก, การในพระเจ้าทรงสอนเนี่ยว่าทํายังไงว่าให้รายจ่ายเนี่ยน้อยกว่ารายเหลือรายได้เนี่ยมากกว่ารายจ่ายแล้วรายจ่ายเนี่ยต้องมีรายเหลือคือรายจ่ายน้อยกว่ารายเหลือด้วยที่นี้เราเราเรวิ่งปัญหาวิ่งหาปัญหาวันก่อนเนี่ยฟังความเขากว่างเขพูดวิทยุก็พูดเรื่องรถนะฮะ เขาพูดนาเฉตเฉรลดราคาส4บสล้านสิบห้าล้านสามสิบล้านอะไรนะทำไมมันมากมายขนาดนั้นพูดถึงนาฬิกาพูดถึงปากการาคาเป็นเจดล้าน8ดล้านนั่นคือสแสดงว่าเราวิ่งหาปัญหาแล้วเราไม่ส ง, งบหรอกลองดูเถอะไทยลองแขว่นนาฬิการาคาเจล้านเดินดูสิเอาตัวรอดกลับบ้านได้ก็บุญแล้ว แล้วบอกไปทำอะไรในเมื่อเราใช้ไม่ได้ อ, อาไโกโ ก, โก้ก็ต้องมีการอารักขาป้องกันดูแลจ้างคนอะไรต่างๆทีนี้ในที่สุดมันมันพลแรงเนี่ยมันจะไปประกอบอัจฉากรรมพอประกอบอัจฉากรรมก็จะถูกลงโทษแต่โทษเหล่านี้ทรงแสดง พวกอาชญากรรมทั้งหลายที่เป็นการกระทุ้ดสรายต่อชีวิตกรทุ้ดสรายต่อทรอาบโรคระเมินในทางเพศครบชุดเลยฮะหมายความว่าสินศี่ข้อเนี่ยผิดหมดครบชุดเลยทั้งหมดเนี่ยมาจากการรมมาจากความโลภของมนุษย์การยู่แย่งจนถึงกับฆ่ากันเนี่ยมาจากโลภะที่กลายเป็นโทสะและโมหะมันเข้มขึน้นการถึงกระลักคำโมยการช่อโสนการหลอกลวงการปลอมแปลง การงกินในวิธีการตา่างๆมันเกิดมาจากความโลภคุณกินได้ทักกี่คำอ่ะอาหารจริงๆเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเรากินได้ได้ได้พออิ่มนั่นนั้นเองอะเือถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าคนที่รวยมันก็กินทีละคำเหมือนกันคนที่จนก็กินทีละคำเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าคนรวยเนี่ยคิดสงสารคนจนบ้าง กิจกรรมในเชิงสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือกันด้วยวิธีการต่างๆนีระบบผ่านศีล น, นะท่านฟังอย่าลองสังเกตว่าเป็นระบบผ่านศีลชาวบ้านจะเริ่มที่ฐานนะต้องมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีมีเมตตาจิตต่อกันนะช่วยกันสงเคราะห์นองเคราะห์กันแต่ว่าการ น, นั้นจะเริ่มต้นที่ศีล ปัญหาตรงนี้ตรงแสดงเห็นถึงเรื่องศีลนะครงยกตัว อ, อย่างว่าบุ่คลมานามาอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุ ม, หตมีการเป็นต้นค้ามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั้นแหละคุ้ชนตัดที่ต่ อ, mm. อ น, นี่อันนี้ลักขโมยนะตัดที่ต่อร้อนอย่างกวาดล้างเลยร่ค่าเผ่าบ้านนะครับรนอย่างกวาดล้างเนี่ก็ทําให้เป็นเรือนหลังเดียวบิดล้อม หลีล้อมเรือนเขาแล้วก็ดักดักทางบ้างสมสู่พัญญาคนอื่นบ้างนะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันคล้ายๆจะไม่มีมุสาวาแลวแต่พอจับได้แค่เทสนะเห็นไหมมันไปประทุษร้ายต่อทรัพย์เขาแล้วก็ต่อสู้ก็ไปประทุษร้ายชีวิตคือพวกเนี้ยมันถ้าเริ่มสักข้อแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปหมดทั้งครอบเป็นชุดเลย อย่างนี้เคยยกตัวอย่างว่าการปล้นค่าขมขืนแล้วก็เผาบ้านครบเลยครบหมดทั้งสี่ข้ อ, พอเพราะตำรวจจะได้แก็กอเทแกก็ไม่รับที่แกเผานี่ก็ต้องการทำลายหลักฐานเพราะับกรรมเหล่านี้สมัยโบราณเนี่ยจะลงโทษแรงมากๆเช่นสมยกตัวอย่างก็เหมือนกับที่กล่าวไว้ในหมาทุกขันพิสูตรนะเช่นว่า เขียนด้วยแทะเขี่ยด้วยหวตีด้วยไมยค้ค้อนกระทากรรมกรชื่อโชติมาลิกะมัทธโชติกะบ้างโอ้นี่มันแรงคือมันอ่านและสยองมาตั้งแต่อ่านตั้งแต่โน้นตั้งแต่เรียนในมหาเทาลัยมหากุรทเทลัยแล้วพอเราก็ไปเจอในเทวทูตสตรในการพูดถึงทันที่เขาลงมนในนรกเนี่ยมีลักษณะอย่างเนี้เยอะ แล้วก็นานมาแล้วได้อ่านข่าวถึงท่านนายแพทย์ผูหนึ่งจริงก็รู้จักกันท่านไปรูปปวดศีรษะจนถูกผ่าตัดหลายครั้งแ้วยังไม่หายตอนนี้ก็ไม่ได้ข่าวนานแล้วว่าตายไปได้หรือยังไม่ใช่ก็ปรากฏว่ามีเทพธิดาน้อยๆ น, นะฮะมาดูแลท่านเวลาป่วยที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าในชาติก่อน เ, อเป็นลูกสาว ว่าตอนเนี้ยมันเกิดไปแล้วว่าเว็ว่าตายเกิดไปนานนะฮเพราะว่าเป็นเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่สามแล้วเขาก็บอกฮะ บ, บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อเป็นเพชฌฆาตพ่อไปบีบข ม, มับคนลงโทษในการบีบข ม, มับเราวเหตุว่าบีบข ม, มับนเนี่ยมันจะเล่นนะั้นเลือดมันออกทางทางตาทางหูทางจมูกแล้วก็ตากขาทลลออกมา เลือดก็ไห i, โลโกรกเลยประมาณเกือบตายปางกายเผนนบาปกรรมตัวเนี้ยก็เป็นเหตุให้พ่อต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่แล้วก็มาเกิดเป็นคนเรียบร้อยนะะอย่างอื่นดีหมดเคยบวชเคยเรียนแล้วก็แต่เป็นโรคปวดหัวนี่รักษาไม่หายเป็นโรคเกิดแต่กรรมเห็นในแพทย์ใหญ่นะฮะเกิดแต่กรรมก็รักษาไม่หาย อันเนี้ยคือคือคือโทษตอนเนี้ยที่ไปลงคนอื่นเนี่ยคือยังไงก็ตามไอ้กฎเกณฑ์ที่สังคมก็ตั้งขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นบาปคือบาปแหละสังคมช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเป็นบาปคือบาปถ้าบุญก็คือบุญเลยพราะะนั้นอยากจะบอกว่าถ้าสังคมคิดถึงบุญบาปนะสังคมคิดถึงบุญบาปเอาไว้เนี่ยเราเชื่อในบุญในบาป โลกมันน่าอยู่กันเยอะนะความสุงบเรียบร้อยต่งตางๆมันเกิดขึ้นเยอะได้เราเลิกดูว่าบางทีพี่เขาปลุกระดมอะไรต่อะไรต่างๆกันเนี่ยพวกวิจิตรจิตมาหมดเลยนะะอกุศลกำหนดสี่ข้อได้มาหมดทั้งเทปทั้งสอนเศษทั้งคำหยาบทั้งเพอเจอทั้งเบียดเบียนโ อ, โอโมาหน้าน่ากลัวมากเลยและในขณะเดียวกันคนฟังก็ไม่ใจใจเป็นกุศล ค, ความก็เกิดโลภะบ้างโทสะบ้างโดยเฉพาะโทสะนะฮะก็จะเกิดโทสะบ้างโทสะเบียดเบียนนะฮะจะออกมาโทสะเบียดเบนใจก็ร้อนนะฮะใจะก็ร้อนใจก็ไม่สงบเพราะในสถานการณ์อย่างนี้ที่ยิงดีที่สุดก็คืออย่าไปรับรู้ปิดปากปิดตาปิดหูไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฟังไม่ต้องสนใจเราไม่อาศัยคนเหล่านั้นทาบาปเขาทาบาป ก, ก็ปล่อยเขาไป เราไม่มีสิทธิที่จะพูดขอร้องอะไรเขาถึงเราพูดไปเขาก็ไม่เชื่อหรอกยาเดียวมีจดหมายบ้างโทรศัพท์บ้างนะขออนามาช่วยเทศบอกโอ้ยไปเทศไม่ได้หรอกก็คือมันอยู่ในกรณีที่ไม่สามารถจะยุติได้ก็ท่านชาวาถ้าอย่างนั้นท่านจะปรากฏปรากฏด้วยกรรมของตัวเอง เราไม่มีทางที่จะไปปกป้องอะไรใครได้เราเราเราแก้จริงๆเราแก้ที่ตัวเราเองได้นะฮะเรารู้ว่าตนนี้เป็นที่พึ่งของคนวันนี้ทีแก้ไขก็คือต้องพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนเดี๋ยวคิดพิจนารณาด้วยตนนะไอ้ตัวนี้เป็นบาปแล้วก็จนถึงกระจุดหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกันนะบอกโอ้ยเออถึงบางเรื่องนีนรถ ด้วยน้ำมันที่ร้อนบ้างปล่อยสุนัข ก, กัดเราเลือกภาพดูแคนคนหนึ่งบิ้งหมุนอยู่เนี่ยแล้วก็สุนัขไปปล่อยลงในหมู่สุนัขนะเราเห็นว่าพระลังเนี่ยไปโยนเข้าในกรงสิงโตบ้างนะไปให้ช้างเหยียบบ้างอะไรตัวไหนเนี่ยเอาใส่ในตะกร้อให้ช้างเตะบ้างโอ้มันฮาหรือโหดเดิอดบาปนะฮะแล้วคนเราเนี่ย เออเศวิบา ก, กรรมเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดใน น, นรกเหมือนกันแต่ว่าเป็นย ม, มาบาลเพราะว่าจิตยดเปลียนความคิดเปียดเบียรเนี่ยเป็นบาปมากวันหยาที่บอกว่าใครจะเป็นอะไรก็ตามก็คือทําใจร้อยสงบอย่าไปยินดียินร้ายอะไรกับเขาเราจะเครือนแกร่งสงสัยแต่ว่าก็เปลี่ยนใจให้เป็นสงสารเปลี่ยนใจให้เป็นสลดใจ เราสำรับเขาเราก็รู้สึกเสียดายแต่นั้นเองแต่นอกวิสัยมันก็อุเบกขานะวิธีของพุทธก็คืออุเบกขาอุเบกขาพิจารณาอย่างไงศานะสตังหลายมีกรรมเป็นของมนตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเหนือมีกรร ม, ม, รรมขอความสุขความเจริญท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการ เสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ต้องขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงแค่นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอ ง, งามไยบูลในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยท ก, กันทุกท่านคือ